ตั้งใจฟังธรรมเทศนาต่อไปโดยเทศให้ฟังถึงเรื่องมดแดงเฝ้ามะม่วงถือว่ามดแดงมันเฝ้ามะม่วงนั่นน่ะมันอยู่ที่ขั้วมะม่วงตอมเหมือนอยู่นั่นน่ะแต่ว่าไม่ได้รับรสชาติของมะม่วงเที่ยวมันหวานเยี่ยว อธิบายฟังมาแล้วคนที่นั่งเฝ้าพุทธศาสนานอนเฝ้าพุทธศาสนานับถือพุทธศาสนาหรือศีลธรรมโอยเฉพาะคือตัวของเราเป็นธรรมทั้งหมดรูปธรรมนามธรรมาแต่ไม่รู้จักรสชาติของธรรมะก็เช่นน้นเือนกัน วันนี้จะอธิบายถึงเรื่องฟังธรรมอย่าทำตนเมือนกระมอความคงจะเคยเห็นกันหมออ้อที่คว่มลงไปนะน้ำหรืออะไรพยเทอะไรใส่ลงนหม้อนะไม่เข้าเลยถ้าหากว่าหงายไว้น้ำอะไรหยดลงไปถูก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 นั่นด้วยจากคนา้นคว้ารถปมาเสียมันก็มอความความจริงนั้นพุทธศาสนานั้นเป็นประที่สนับส่องสว่างดวงใจของเราที่มืดมิดปกปิดด้วยด้วยกิเลสให้ใสสว่างแจจ่งจ้าแต่ด้วยเหตุที่เราฟังธรรมมันก็มอความ ก็เลยมาสว่างแจ่มจ้าขึ้นมาแค่ด้านที่เิงรู้สึกตัวในเมื่อเราฟังธรรมยังเป็นอย่างหมความคลิกจับเอาหัวข้อขอันใดหนึ่งให้มันได้เทศแต่ละการเทศแต่ละครั้งละทีมีจุดสำคัญอันหนึ่งที่เป็นหลักนักแนนน้ำมันคงในการเทศนั้น มีความหมาย <c oughs> ธรรมะทั้งหลายที่พระองค์เทศนาไวมากหมายก็มีจุดสำคัญคือว่ามีเนื้อแท้ของธรรมะอันหนึ่งซึ่งเราจะต้องได้รับรสชาติหรืออาจหรืออีกนะัหนึ่งเรียกว่ามีแก่นของพุทธศาสนา เนื้อกับแกนอันนี้อธิบายทังเรื่งเนือ้อไปตลาดคงจะเข้าใจถึงเนือ้อเนือ้อชั้นนอกกับเนือ้อชั้นในมันผิดกันราคาก็ผิดกันรสชาติก็ผิดกันหนังอันหนึ่งเนื้อที่มันปนไปด้วยทั้งขืดคนก็ไม่อยากซื้ออ เรื่เนื้อที่ผสมในน้ำมันเขาต้องอยากซื้อถ้าเป็นเนื้อแท้เนื้อในเนื้อแดงราคาก็แพงรสชาติก็ดีพุทธศาสนาของเราก็มีเห็นนั้นเหมือนกันพื้นหนังหุ่มหอ่อเนื้อกับพังผืดและน้ำมันเนื้อผสมน้ำมัน เนื้อแท้มันอีกเนื้อในใแท้เนื้อชั้ไหนมันอีกส่วนต่างห น, น, นี่เราพากันฟังธรรมหรือว่าปฏิบัติธรรมคำสองของพุทธเจ้านั้นโดยมากไม่รู้จักเนื้อแท่เขาาะเห็นกรีบเพียงผืนหนังเท่านี้แหละกระอีพอแล้ว เนี่ยเปได้เพียงเนื้อผงขลิกก็พอแล้วเนื้อที่ผสมกับน้ามันก็บอกพอแล้วยังไม่ได้ถึงเนื้อไหนเนื้อแดงแกนก็ยังว่านั่นถึงพูดทังเนื้อเนือคับแกนแกนนั้นก็พูดพูดมาแล้วทั้งเนื้ว่าเปลือกต้นไม้ต้องมีเปลือกต้นไม่กับพี่ต้ไม่แกน พุทธาศาสนาก็เช่นอันือนกันพระพุทธเจ้าสอนเบื้องตน้นสอนใน้รู้จักหนอกสละวัตถุสิ่งของที่เรามีมามันเป็นเครื่องสังบทวัตถุทั้งหลายที่หาสแสวงหามาได้เมื่อไม่มีก็สแสวงหา ขันหามาได้แล้วก็มัทยัน์ห่วงแหนโดยมากมักเป็นในทํรมนองนัคนที่มัทยัน์ห่วงแหนึกเกียงยม่ดับคนที่มัทยัน์ห่วงแหนมีสิ่งใดทำใจให้เศร้าหมองฮดหู ไม่เบิกบานใจคับแคบกว้างขวางความคับแคบกว้างไม่กว้างขวางของใจงปัญญาก็ไม่เกิดมันไม่เบิกบานคนที่คิดสละจาคะมีอุบายปัญญาที่จะหาสิ่งมาสละจาคะ ม, มันมันผิดกัน ก็นม่มีสละจากพะมีทเทใดก็ฮิตหีเ่เพียงแค่นั้นห่วงเห็นเพียงแค่นั้นกลัวคนอื่นจะไม่แย่งมาชิงกลัคนอื่นจะไม่เห็นปกติมิทิดพกจิตใจมานกว้างขวางเบิกบาน้เจทัย ส, สอนในฉลักทจากพะเราสละจากาพระจิตใจก็กว้างขวางเบิกบานเพราะเหตุที่เราจากพระ สาระลงไปเห็นคุณค่าประโยชน์ใ น, ในเรื่องที่เราจะาค่ะว่าเป็นประโยชน์แก่คนอื่นประโยชน์ตนและกัคนอื่นอีกด้วยเป็นการเฉลีย่ยความสุขทั่วไปคุณค่ากว้างขวงมหาศานอกจากที่เราจะ สราราจา่าเป็นประโยชน์แก่คนอื่นและยังเป็นประโยชน์ย้อนกรรมหาตัวเองอีกทะเลนี้จะเป็นที่รักและเคารูนับถือของคนทั่วไปเป็นการป้องกันภัยอั น, นตรายในตัวใครจะคิดอิจฉาหรือพยายาเบียดเรียนหรือประการใดคนคิดเขาได้รับประโยชน์จากเราเขาไปช่วยฝึกปรับรักษากว่วงฟ่วงเรือที่จะพ น, นานนาอันนี้นาจาระ หลักขาถเจราศาสนาจาฆ่าในบงต้นเิ็นผลอธิบายให้เห็นผลจะฆ่าจะต่อไปคือการสละโวลมชั่วทุกคนทำาคลชั่วจิตใจในมัวหมองคิดเฉยกระจามไม่เึงกันการว่ากระทำหรือพูดออกมาด้วยว่าจาและกระทำโดยการ อันนั้นเน่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนในจา่าคะข่วมชั่วอย่าให้มามีอยู่ในใจของตัวนั่นเราสอนจา่าทะเหมือนกันในสระเหมือนกันจา่าทาดีเข้าไปก่อนนั้นละเอียดเข้าไปก่อนนั้นก็สอนในทํานองจา่าทะเหมือนกันให้สระอารมณ์เกี่ยวข้องหัวผัน ที่มันคิดสงสยัยไม่ให้ใจสงบเยือกเย็นเป็นทุกข์การรู้จักสละมั่นกันกระทั่งสละลงในปัจจุบันอดีตอาคตก็ับมาให้มีในเรียกว่าสละจากพระมั่นกันนอกจากนั้นอีกพระพุทธเจ้าสอนให้ใช้อุบายวปัญญาลึกซึ่งลอเอียดไปตว่นั้นอีก ให้เห็คุณโทษประโยชน์ในสิ่งต่างๆตลอดทั้งอารมณ์ความคิดความนึกยิดข้องโภพันยึดมั่นอุปทานในสิ่งใดให้พิจารณาให้เหตุโทษสละจากพะสิงนนรงไป <c oughs> เทียว่าจาโครปตินิสโคจาขะะละถอนคืน มุติอะไรยโยพ้นแล้วไม่กังวลอะไรนั่นสอนเนืน่องจากะนี่เรียกว่าเนื้อเนื้อของพุทธศาสนานั่นที่เราที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นสอนอะไรทั้งหมดตั้งแต่ทานศีลภาวนาทั้งสามประการนี่แหละ เนื้อแท้คือสลักที่คำพูดนั้นเป็นหนังที่พูดมาเยอะแยะนี่เป็นเรื่องหนังเป็นเนื้อเนื้อผงผืดนเป็นเนื้อเนื้อไปจีเรนน้ามันเนื้อในนคือจา่าพระลงควบเดียวที่ว่าจา่าพะนี่เข้าใจอย่างนี้เรื่องพุทธศาสนาจับรักให้ถูกจับเนื้อแท้มันถูก ที่จะพูดไปมากมายสักเท่าไหร่ก็พูดไปเถอะอธิบายพ่วงของสักเท่าไหร่ก็ออธิบายไปอลงตรงนี้แหละเห็นนั้นเราทําอะไรจับหลักพุทธศาสนาทำมันได้ปฏิบัติให้ถูกไม่ต้องมงมงายและไม่ต้องตื่นข่าวใครน่นว่าโน่นดีว่านี้ดีอะไรต่างๆทำมันงั้นดีทาดําให้ถูกไม่ต้องตื่นข่าว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 ถึงหากว่าจะทำด้วยประการอื่นต่างเช่นตามธรรมตามทํ า, า, าขนมที่นี้โอเคดีเช่นมีการทำบุญสุนทานใหญ่โตท า, ต า, ท น, น, มมานตามโอเค น, นีนิยมแล้รต่างบวชนาคทำกัิษเอาทำไปเถอะทำไม่ง่ายก็ทำไปเถอะแต่ให้จับหลักนี้ให้มันได้ใจขอาเราให้มา่นอยอย่างนี้ให้มันแน่วลงถึง จุดสำคัญตรงนี้อมุลันชักแปลว่าทำทําไปตามวิธีนี้นิยมแล้วหมู่คณะไม่เถ็ น, ะนปัญหาถ้าหากเราจับอันนี้ไปได้แล้วจะตื่นลแล้วเข่ากันเพราะทาแล้วจะตื่นเต้นไปตามเขา่ามัวเมาลุ่มหลงไปตามเขาอยา่างเขาทำกันทุกวันนี้ทำบุญทำทานคนมากเกี่ยวกัได้บุญหลานคนน้อยไม่ได้บุญคนนิยมนักถือมากๆอันนี้คนมากก็ต้องใช้งานมาก คนมากก็ต้องใช้จ่ายมากอย่างเขาเป็นๆปน็อยู่ทุกวันนี้ทําบุญมหาชาติฟังเทศหลอดลันหรือทาบุญกรถินก็นนกนดีบวชนาบวชได้กต่างกดีคนมากก็มีอะไรจะเลี้ยงแล้นต่งไปข่างัวข่าควายข่าหมูข่าเป็ดขาไก่เลี้ยงกันไปตอปนตื่นเต้งกอไปองไงนะตื่นกิน คนน้ำมากเขาต้องหาอาหารมาเลี้ยงมากๆอาหารน้ำมากคนกันแฮ่ก็มากินมากๆลืมคิดถึงหลักที่ว่านั่นไม่ใช่เรื่องจากฮะสตละมันเรื่องสะสมบอกมันมทั่วมันผิดจากแนวธมบุตรหลักคุณจะศาสนาเลยเนี่ยเรื่องไม่จากหลักไม่ได้ไปอย่างนี้ทำบุญชนทานปฏิบัติศาสนาอันนี้ว่าถึงเรื่องเนื้อ เนแท่เนื้อแดงของพุทธศาสนานี่ว่าทั้งเรื่องเจนเขาพุทธศาสนาพระพถทธเจ้าเทศทำให้เทศแท้เทศทั้งเรื่องสินสมาธิปัญญาตัาวตนเขาพุทธศาสนาอยู่ตรงนี้คือสินสมาธิปัญญา สิ้นที่เราพากันปฏิบัติรักษาอยู่นั้นชิ้นห้าชิ้นแปดชิ้นสิบชิ้นทั้งว่ายี่ส็ตานเถิดรักษาเพียงซื่อๆทนเผลินงดเว้นจากชิ้นจากความชั่วนั้นนั่นที่เข้าถึงเก่นคือคิดงดเว้นไม่ใช่ล้ รักษาเรียกว่ายัางฉิดยังเป็นเปลือกั้นาจะเข้าถึงแก่คือเป็นตั้งใจงดเว้นจากความชั่วเห็นความชั่วความผิดคิดชั่วนิดน่อยก็ตามไม่ต้องออกปากพูดหรือไม่ต้องกระทาโดยกาดแม้แต่ใจคิดนึกก็ตามนั้นเรางดเว้น เข้าถึงกับพีงดเว้นในกลุ่ช่วงนั้นที่แรกเรารักษาเป็นขอพอมเรียกว่าอยู่ในเปลือกหากว่าเราเห็นตัวสินที่ใจงดเว้นใจมันคิดที่จะทำคือมันไม่งดเว้นทางกลช่วงเราไปเห็นตรงนั้นเราสลัดตรงนั้น ไม่ต้องแสดงว่าทางกายแลวืวว่าใจอ น, นั้นสินเข้าถึงกับพี่ถ้าสินเข้าถึงตัวเย็นตัวสงบจึงจะถึงแก่นทั้งสินที่ท่านพนานานาทั้งเรื่องคุณของสิน น, นีหลายอย่างสีตะเมื่อสงบแล้วก็เย็น สีลละก็รอเลือรอลีงคือมาศีลลนนั่นเองเมื่อเข้าทั้งกองสงบแล้วกระนักแม่นมั่นคงเหมือนกับหินเรียกว่าสมุเชเฉดทวีรักคือไม่กลับงอกอีกหินไม่เหมือนไม่เหมือนต้นไม้หัวต่อแทนของหิน เรียกว่าสีละสีตักก็แปลว่าเย็นสีละแปลว่ามั่นคงนักแน่ไม่งอกเพื่อไม่ละละแล้วมาทำชั่วอีกสีละตัวรอเรือแปลว่าสีนเป็นยอดสินเปิดสดนสูงสุด ลุกพ้นจากความชั่วใดเมื่อเราลึกถึงศีลอยู่อย่างนี้จิตใจของเราก็เปิดบานเยือกเย็นสงบมั่นคงศีลในนั้นยังเรียกว่าศีลถึงแก่ศีลมีทั้งกัเปิดมีทั้งกับพี่มีทั้งแก่อยากคิดดูทั้งศีลของเรา สินเปลือกหรือสินกรบพี้หรือสินแกน่ถ้าเรารู้จักเรื่องลักษณะของสินทั้งสามท่านอย่างนี้แล้วแล้วก็มีวันทานที่จะทําจัดปัดเป่าสินขนั้ต้นถ้าต้องการอยากจะถึงแก่ถ้าไม่ต้องการจ้ถึงแก่หรือไม่รู้เรื่องนี้่ะก็แม่สาบว่าจะเป็นนักษาสินใน้ดยประการใดปฏิบัติตามสินในโดยประการใด และศีลถึงขั้นไหนก็เลยไม่ทราบมีท้งหาไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องรมาเขลา่ยแต่ก็หมอกควาง <c oughs> ให้เรื่องไม่เข้าใจาสมาธิก็เหมือนกันมีทั้งเปลือกมีทั้งกระพีมีทั้งแกน่นสมาธิที่เราปริกรรมพุทโธพุทโธก็ต่าง เต่มรณาหรือสติมรณาสติอะไรกระตามเถอะอย่างเขาพากันเพราะมร า, ายกบหนอพ้อะหน่อยพิจารณาขอเกิดสอดับกระชับอันนี้ยัง เ, เป็นเปลือกของสมาธิถ้าหากว่าเราจับจุดของสมาธิใดหรือว่าสมาธิหมายความถึงทำใจให้แน่วแน่ยุดในอารมณ์อันเดียว จะไม่ได้มรรคผลนิพพานฌานสมาธิสมบัติเห็นพูดผีพิิพศาสเทวบุเทรดาอินพรหมมิลิธาปาีิหารอะไรก็ช่างมันเถอะสมาธิือต้องการให้จบรวมอยู่ในที่เดียวสงบรวบรวมใจให้มั น, มนอยู่อยู่ในจุดเดียวแล้วเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็พยายาม ซ้ำรวมในจุดเดียวเมื่อจิตเราตั้งมานในจุดเดียวเรียกว่าสมาธิเข้าถึงแบบนี้ถึงแม้จะมีอาการวับวับ แ, แย่ๆได้ไการสงสัยบ้างเล็กๆน้อยก็อให้ยามีเจตดึงเข้ามาอยู่ในจุดเดียวสัญยามที่ชาระให้หมดสิ้นปัจ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 จนกระทั่งวางพุทโธหรืออ น, นาปารสติอะไรก็ตามนาสติอะไรก็ฉันแต่ยุ่หรอฟงเหรอก็ตามทิ้งเสียหายวุบไปเลยไม่มีอารมณ์มันนะ่เป็นเครื่องอยู่เข้าไปสงบสุขอยู่คนเดียวหายวุบว่าเข้าไปอยู่อันหนึ่งของมันต่างหาก หรืเอเช่นจะเรียกว่าภัวนาสมาธิอะไรก็การรู้ความกับช่างเถอะไม่ต้องไปคำนึงถึงมันอ่ะพูดถึงเรื่องแก่นอันเดียวถ้ามันหายจใจในยังอันเดียวจะปิดแก่นอันเดีแท้งแก่นทีเดียวสมาธิตรง น, นั้นแม่ลูกเสียงสิ้นรถผลทัพพระอารอมณ์ตา่างหายหมดไม่มีอะไรกระทบเขาไหมกระเทือน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 เปลือกกันหละมันจะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงกระพี้ถ้าไห้เปลือกห่มกระพี้บางตอนงมอกไปแหม่เมื่อกอิูวไม่ได้ต้องแห้งเปลือกห่อไว้กระพี้ั่อนถดถาดที่จะเข้าถึงกระพี้กับเพราะมีปริกรรมเมเราปริกรรมก็จะเข้าถึงจุดอันเดียว เขาถจุดอันหนึ่งคือเข้าถึงความสงบเมื่อความสงบนั้นมีพลังเต็มที่รวมความพลังนั้นให้เข้ามีกำลังมันจะปล่อยทิ้งกรบพี่นนเข้ า, า, า, เขาไปถึงแก่หายผูปว่าเข้าไปถึงแก่แลจะไม่มีอะไรกระทบกระเถือนทิ้ง้กระทบก็ไม่กระเทือนกระเทือนก็ไมหวานไห นิแก่นของสมาธิว่าถึงเงินแก่นทั้งสามชั้นทั้งสามอาการยังแก่นของยังเปลือกและก็ที่แก่นของปัญญาอีกปัญญาในการได้ยินในฝั่งในการศึกษาตำลับตำลาหรือพิจารณาโดยอนุ ม, มาน เห็นชั้งขาแล้วของเกิดดับเห็นเป็นไอ้แจงทุกครั้งเรตายเอ็นุสภาพปฏิกูลเห็นชั้งขาเป็นกองทุกข์อย่างนี้เป็นเรื่องของปัญญาคำว่าปัญญาในตัวพิจารณาจริงเห็นจริ ง, รงตามเปจริงมันก็จริงเหมือนกันเห็นอย่างนี้ก็จริงเหมือนกัน แต่มันไม่ยอมละไม่ยอมปล่อยเห็นแล้วมันยังคลี่ไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้จิงว่าเป็นปัญญากับพี่ให้เป็นปัญญาเปลือกเปลือกอยู่พูดกันได้เห็นเขากรุบกรอบใจทุกโศกร้องไห้ร้องโมเทศเขาได้ดีจ้อยเลยอะไรอันนี้จ้งทุกครั้งการไปยุ่งวูดนวี่มันวายทาไมไม่ใช่ของเรางานนี้อะไรต่าง มัดเวลามาถึงตัวเองเขาร้องไห้ในรู้ตัว น, น, นั้นเปือยปัญญาก็เปลือยไปงี้แหละมันไม่แก่ทนไม่ได้ปัญญาที่เราอาศัยอันนี้แหละเปลือกนี้แหละโมห่อปัญญากับพี่เมื่อเราแพ่งพิจารณาอยู่นานๆขาจนเคยขิน อย่าง้อยที่สุดกับพอระ ง, งับความทุกข์ได้เป็นบางครั้งบางคราวอย่างสิ่งของอะไรมันพัดตกไม้ตกมือมอแตกถ้วยแก้วแตกหรือชามแตกอะไรต่างๆฉันว่ามันเถอะของไอ้เที่ยงก็เป็นแนหะอย่างไยที่สุดอ่ะเอาละของนี้เข้ามาถ้าหาก็มันมั่นคงมันไม่แตกก็จะเขาเล่จะขายม่ได้ก็สบายใจไปหน่อย ก็ยังดีอยู่ด้วยเหตุที่เราฮัดคิดหัดพิจารณาตัวอย่างนี้ตลอดกางก็ค่อยได้ประโยชน์อย่างที่ว่าเห็นมีคุณค่าขึ้นมาแต่ถ้าหากเราพิจารณานี่นานา น, นาักเท่าวันหนึ่งแหละมันจะชัดขึ้นมาภายในใจสิ่งที่เป็นของไม่เที่ยงที่ไม่เทเี่ยีมันเป็นทุกข์อย่างหนาตา จะแชกขึ้นมาคายในใจของเราเป็นครั้งเป็นคราวเป็นสิ่งทั้งหลายไ ม, แ ม, แม่แน่นอนท้าวเะมันเกิดดับถ้าเกิดแล้วมันก็ดับไปหายไปถ้าตั้งใจจะให้มันอยู่มันไม่อยู่ตั้งใ จ, จให้มันเป็นจริงมันไม่เป็นจริงขึ้นมาแล้วว่าจริงนี้ดีจะรักษานี้ไว้ให้มันตีต่อไปมันก็ไม่อยู่ มันข้ามมาเข้าแล้วไม่อยากให้มันเป็นของอันที่เราต้องการปราถนาเกิดขึ้นมาสิ่งที่เราต้องการศาสนาอยากให้มันอยู่เยวะมันก็หายไปมันก็เป็นหยุ่อย่างนั้นตลอดกาลอันนี้เรียกว่าย่า ง, งค้หมเกิดดับชัดโดยผลอีกคนอื่นพูดก็เหมือนคนอืดนสอนก็เหมือนนถ้าเป็นดูตำราตําราที่าสอนที่ท่านเทศนาที่อธิบายไม่เหมือนของเราเอง นี่เห็นด้วยตนเองค่อยดีขึ้นแข็งแกร่งนกหน่อยแต่จะใช้าการอย่างท้าวอนมันคงยังไม่ได้นี่ปัญญากับพี่ตัวนอื่นพิจารณาเองแค่ที่บายฟางพอเป็นตัวอย่างเท่านั้น ปัญญาที่ถึงแก่นแท้มันลงถึกสภาวะสิ่งต่างๆนี้อยู่เช่นใดเป็นอยู่เช่นใดสิ่งทั้งหลายนั้นจะแต่ปวนไม่ได้สภาพใดก็ตามเป็นไปอย่างไรก็ชักจิตใจไม่ได้หวันไหวจิตใจมั่นคงหยุดคงที่สิ่งมีอยู่อย่างไรเป็นอยู่อย่างไรเป็นอยู่ตามเรื่องของรื่งนั้นแหะไม่สามารถจะมา ทำใจให้หวั่นไหวทำใจให้กระเทือนเห็นสภาพตามเป็นจริงจิตทึงจะไม่นิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวในตอนนั้นจิตไม่ไปนิ่งหรอกไม่ได้อยู่ในอารมณ์เดียวหรอกเห็นอยู่รู้อยู่จึงว่ามันไม่นิ่งแต่ว่ามันสิทที่เห็นนั่นมันเห็นจากสภาพตอมเป็นจริงเลย ยิดอ น, นันตนักแน่นมั่นคงไม่หลงกลับไปยึดอย่างเดิมพูดง่ายๆเรียกว่าถอนความยึดมัน่นรสชาติจืดจางจากสภาพเดิมจึงเรียกว่าปัญญาที่เป็นสาระ